ต, ตรงปัจจุบบันนี้เอามานี้แล้วว่ามันไมง้ไม่ทัน มันจะทิ้งเลยนะี่ะไอ้ไอ้สัเกณฑ์ก็ไม่ใช่ใช่ไหมวานก็ไม่ใช่สักลาศก็ไม่ใช่ไม่ใช้อะไรเลยเขาเดินมาว่าอย่างไงจบแล้วมันจะไปนั่งคิดทําไมนึกออกป่ะเพรานัออ้น อ, อ, อย่างงี้ไงระบบเนี่ย้วบอกเขาไม่สอนสอนแล้วนะ่ะท่านก็จําไม่ได้หรอผมจะบอกให้อันนี้ระดับโปรอไอ้ที่โปรนะ่ะคือมันใช้ได้ทุกประเภทของโหราศาสตร์ในโลกเราควรเลือกไปเรียนทําไ ม, มถ้ามันเรียนอย่างงั้นมันเรียนระดับปริญญาแล้วนักสอนระดับปริญญาไงใช่ไหม แล้วก็เราโดนเหตุประเภททศกัณฐ์นะซึ่งเป็นอย่างนี้ไงอันนี้ก็ผมถึงไม่สอนไงสาวถึงบอกข้าท่านเรียนสาวแล้วท่านจะไม่เอาอะไรอีกเลย uh huh. ถึงไปสอนสุดท้ายโดยสอนไม่ให้รู้ถ้ามึงรู้แล้วมึงจะไม่เอาพ uh huh. อตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันผลิตคนไม่ทันเพราะเนื่องจากว่าไอ้คนที่ไปสอนไปแล้วมันมั่วเอาเป็นอย่างนี้แล้วว่าให้ง่ายดีเอา ทำแล้วได้เลยทำแล้วได้เลยทำแล้วได้เลยมึงไม่ต้องรู้อะไรโง่ๆง่ายๆใช้ได้แล้วก็จบมันเรื่องหุ่นก็ใช้เงี้ยเสาเหยไม่ใช่ก็ใช้เสาด้วยใช้มันไหลยันตะเก็นตะเก็นตะเก็นแล้วไปยักนมอยักน้าไม่ให้ไปแล้วก็ตันตัวบังคับบังคับอักษรครับชื่อว่าอาทิตย์อ I U อะไรนั่นนะหารวัดีของไทยอะไรอย่า้ แล้วก็<า>ไปแทนตัวเสานี่ก็ยังไม่หม ด, ดนะเนีอาจารย์เพ็ดเท็จก็ยังไม่ได้อย่างก็หกสองห้าวันอังคารห้าเนี่ยคนเนี้ยห้าเนี่ยห้าไปตกอยู่ตรงไหนห้าห้าไปตกอยู่ตรงไหนแล้ววันนี้จะดีหรือไม่ดีมันมันบอกไปอีกใช่ไหมอาจารย์เอ อ, เอนั่งสอนก็จะไม่เราเอาแค่นั้นแหละ <laughs> คนาบาปไปพบอีกอะขอบันเลสวนนั่นเนาะโอ้หมากมายมหาสารไหลาหลวงหนังาเหลือกนนันขนาแค่นั้นนะเลือกไปเลือกมาแลยมันไอ้ที่เรียนน่ะมันยังน่ะมันแคบผิวๆเหล่าว่าท่านอัพยายามอ่ะตีทีทั้งเหนือ สนะ่ยอยู่ตรงทิศทิศใต้เนี่ยอะไรจะมาอยู่ทางทิศใต้หรืออะไรท่านเน่ยมันบังคับทิศไดอ้อย่างตั้งเสามาปับ๊บสี่อยู่มนุษย์เสียงสี่มนนึกอยู่มนุษย์เสียงมันมาจคุมไหนละ่ะแล้วก็ะจะอยู่ตรงนั้นสี่สี่อันนี้มันคุมยาม ย, อยอมม่อยสมสมมุติเลยนะให้เห็นภาพนะปับ๊บสี่มนุษยังสียงคุมยามย่อยอืก็นนัแค่ไหน ในหนังสือแม้ในที่อาจารย์สอนวันนั้นแหะเป็ที่บางที่ก็บอกมันบังคับที่อีกอยู่ตรงที่ไหนทิศไหนขอบคุณที่ยืนยันลืมไปแล้วแล้วบำคับยักษ์น้ำมก็อยู่เลขอะไรชื่ออะไรอรนี่ต้องเรียนเขาไม่เดี๋ยวเน้อเรียนไปนะด้วยเอาเรื่องของหายก่อนออือัดๆชัดๆเรื่องของเงินเรื่องของเงินทั้งสองทิศทางที่ตะวันตก ถ้าสมมุติน ะ, ะเขามาดูตอนกลางวันโอ้โน้ำยานอยู่แล้วเนี่ะนะมีวนโคตรกลางวันแล้วสมมติว่ายามยอดมันขึ้นสาวว่าสองมันอยู่ที่อ ย, ททอยู่ที่จิตตังอยู่ที่จิตตังอยู่ที่จิตตังเป็นสีจิตตังนะออ่ายูสมมติสองมันเป็น ยากน้ำนั่นแหละอะนี่ยักนา้นนกนาแต่จะได้หรือไม่ได้เพราะสองท่านบอกว่าตกอยู่ที่่าจิตตังห้าสิบห้าสิบนะแี่ท่านมันอยู่มรณะมันอยู่ที่มรณงหาที่เลยก็ อ, อยู่ที่ทุกขังทุกขังแล้วพวกที่ต่ำลงมาเนี่ยไม่ต้องไปคิดแล้วก็ถือว่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยยังยังมีพิจารณาถ้าต่ำจากนั้ น, นไม่ต้องไปคิดแล้วครับ สามตัวบนนี่ยังพอพิจารณาได้สองามสี่เนี่ยพิจารณาได้ตามลงไปเรียบร้อยน็อกดาวน็อกดาวแต่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยแต่ท่านไม่ได้ไม่เจอถ้าไม่งั้นก็คี้นะอันนี้สคู่ขคู่ขี่ก็ต้องไปหาพนานอันนี้ก็ไม่ได้เรียนหรอกาไปหาพกนัานอันนั้นอ่ะอันนั้นหนึ่งไฟแนลไอ้นั้นเรียนไปแล้วในวันใช่ไหมเดกจรรอ่นแล้วอันนั้นอ่ะอันนั้นต้องเชื่อรับอันนั้นก็ไม่อยากจะสอนหรอกจริงๆแล้วอ่ะ ไอ้สงสาร<ห>ูเพราะไอ้คนขี้เกียจมันก็มีมนค น, น <ะ S 2> บุญน้อยก็มีนะให้มันได้ไปเยอะก็ ไ, ไ, ได้ไปปุ๊บ ก, ก็ผมว่าไม่ได้แตอผมก็ไปเรียนด้วยผ่านน้ำที่ไปเรียนคู่ี่อาจารย์ให้ไปก็ได้ผมว่าไม่ได้เจอผมก็ไปเรียนด้วยผานน้ำที่ไปเรียนคูน่นนาอารอันนั้นนะมันมันสำคัญเลยเนี่ยพได้ไปปุ๊บสองสาวันมาเลยแล้วเจอด้วยตามตามที่อาจารย์สอนยมเกียบ ใ, ใช้ได้มีการใช้ได้บ็คุยกันเนอะเพราเไปเรียนคู เลยอยู่ในบ้านเต็มเ็มเลยใช้ได้กได้โคยิดัว<ห>มไปมากเลยเม่อกินแล้วไม่ก็อยากจะให้เพราะมันดาบสังคม <c oughs> เพราะมันไม่ใช่ดูเรื่องของหายอย่างเดียวมันสารพัดทุกเรื่องเลยลยิ่งกว่าจะยิ่งกว่าไอ้ภายกระสิปิด ก็เห็นก็บอกแล้วเลยอ๋อมันไม่ไหวที่เกียดไปนั่นมาไอ้คืนสองที่ใครว่าที่เอาเมฆกัญชามาไหว้ขุนะครับบุญสามบุญไม่ใช่ใครเป็นคนเอาเมฆกัญชามาไหว้กูนนะตอนนั้นปอเพอาะมาผลมันถุกยอนอันนี้เรื่องเงินสองหายเรียบร้อยอืมแล้วเรื่องอะไรแกก็เาไปใช้เรื่องวันเนี้ยสามบุญเมนตกอ๋ออะไรสองสามสี่พิจวันออกถึงเหนือตกที่ตวันตกถึงเหนื ได้นั่นมันจบไปแล้วมาใหม่อีกอันี้ยกประเด็นใหม่ออย่างวันนี้ออังคารอ่าแลนสี่ข้ามเอาภูมิวันว่าวันนี้ดีไม่ดีเรี้ยวภูมิอะไรเอาโดนเสาเลยจะอาอะไรดีอะอย่างวันนี้เอาเรื่องเงินดีไหมเรื่องเงินเฉพาะวันเนี้ยเฉพาะวันนี้ตอนคืนนี้ห่ะ สาม ส, สี่สองมันดีอยู่แล้วสองเป็นบริวารใช่ไหมหกสี่สองหนึ่งหกสี่สองสองมันดีอยู่แล้วอสองมันดีอยู่สองเป็นบริวารท่านจะอะไรดีกันี้ก็บอกครับเอายามใหญ่ให้เป็นสีทีมยามใหญ่ให้เป็นสีลึกแล้วก็เอายามย่อยให้อยู่ที่เดทก็ได้หรือเอวังก็ได้อย่าให้เป็นบริวารทักก็เป็นบริวารสีเดอ นะอายุก็ได้<น>คือว่าอยทับกับ น, นมากออแต่ถ้าเกิดถ้าท่านจะทับให้ดีก็เพราะวันนี้มันเป็นบริวารบังคับบังคับบริวารบังคับบริวารท่านก็เอายามใหญ่ให้เป็นสีให้เป็นสี <c oughs> ท่านท่านจะเอาเรื่องเงินข้างหบังคับยามใหญ่ให้เป็นสีเสร็จแล้วก็ท่านจะทับอายุหรือเดชคือจะได้บริวารสีอายุหรือเดชที่ท่านบังคับอายุก็ได้เดชก็ได้เพราะมันจะทํางาน <c oughs> เอวังเอวังมนุเสียังแล้วพยายามดูอยาให้เป็นจตสูตัวไหนเป็นจะสูไม่มีสองสี่ภูมิท แต่นี้ก็เอาเล่นหรืเอเ อ, เอาอายุส่วนมากที่จะเอาคือเอาเอาอยุแทนตั้งอยู่เปน็น้ำอายุคือปัจจุบันเลย แต่ว่าเราจะอัพเดตอาอาก็เราก็ใสก็ ไ, ได้อ่หัะเขาเรียกหัวสีท้ายสีเอวันดีสีของวันอไปทั้งวั น, วนอันนี้ก็ไปเรื่องของการเงินการเงินกเงินมันอยู่แล้วก็สีมันมาคับยามอยู่ที่ยู่แล้วท่านท่านจะเอาเรื่องอะไรนี่พูดถึงสาวอย่างเดียวนะเนี่ยสาวอย่างเดียวใช่ถูกต้องให้มองเห็นสาวไม่ใช่มพรามันวิชานี้จะมีแต่สาวครับ แต่ไม่อยากสอนสาวเพราะมันเหมือนกับไปฉกเขากินคือโอโหเขาลําบากแทบตายเรีย น, นตั้งแต่ปตะเกณีไอ้นี่มาถึงฉกเอาฉกเอาแต่พรอนสาวอย่างเดียวเนี่ยมันขี้เกียจนะมันจะเกิดความขี้เกียจอันอื่นก็ไม่เอาแล้วผมว่าติจอนผมไม่ค่อยเอาเสาวครับเพราะมันมันเหมือนกับเดี๋ยวตั้งเหมือนกับวางเลิก อ, ะอ่ะเออแต่ก่อนผมไม่กล้าตั้งพรวางเลิกผิดนี่เอาไว้นะอ่าใช่ไปเลยนะล่องเลยนะเราช่วยด้วยเขาช่วยด้วย เขถูกสาปสาปเป็นแี่ยเขาสาปไปเลย น, น่ะตั้งเขาตั้งเลิกผิดนะคนให้เลิกกับซวยอ่านะคนให้เลิกน่ะให้เลิกเขาที่ก่อ น, นต้องให้พ่อแมวผมโยนให้พ่อแมวดูแลดูลดวงอะไรอะไรต่า่าออกเลิกไ ป, ไปสอบไปทําอะไรต่ออะไรนี่บางทีท่างแมวให้ให้ตื่นตั้ตงแต่ตีสามตีสี่ออกจากบ้านเปิดประตูห้องออกมาทําอะไรก็ได้แต่ให้ตื่นออกมาจะไปสอบเข้าฝนมันทําบ่อย มันทำได้ตลอดอย่างนั้นเดี๋ยวเงินไม่พอจายข้าวหวยมันออกเรื่องมันทั้งใช่มีไให้หวยด้วยเราไปทำให้เขาผิดนี่เราก็รบกนอภิชาติไปไหนอภิชาติอภิชาติเออไม่ได้ข่าวนะเงียบเลยเพราะว่ามันไปคนลโรงพยาบาลแล้วไอ้นั่นไปข้าวโรงพยาบาลของแกนไปหากินของแกนแล้วใครพระพลไงพูดในการเู้รูุสิมันไปแล้วไม่มันต้องวิ่งขนแกนบ่อยไปวางเลิกให้เขาก็โรงพยาบาลขงแกนหนักมันไปป่วยซะจน ดูให้เขาเสร็จตั้งสารภูมดิด้วยอะไรด้วยกลายเป็นว่าผูดเลยกลายไปนรนูกศิษไปแล้ว อ, อภิชาต้องเกี่งนเบนตะเกี น, กนมผมยังผมยังเสียดายอยู่เลยยังได้ไม่หมดตอนนี้นะนึกว่าบวช <ไป S 1> บวชนะแล้วบวชแล้ ว, วไปคิด ถ้าที่พันธุเนี่ยดูที่พันธุ ถ, ถ้าเกิดว่าพันธุเป็นอคุศลพุกบก้าวทำงานก้าวก้ามาแทนนวะอยู่อยู่ที่พันธุดูดูเขาเขาดูจุดติดอุศนอกุศนแล้วก็ปฏิสนธิอีกเลขปฏิสนธิตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนตัวของเขาอตัวที่เทียมกันถ้าเราเราจะดูลึกกันนะเพราะมันเป็นเรื่องของพระบาท อะไรยองอแกไม่เล่นอะไรเลยเล่นแต่สัตตะเต็นผมว่าเท่านั้นเองสัตตะเก็นทะลุ ป, ปูโ ป, ปงหมดอ น, นุมายงนี้โพคามายงต้อ ง, องไวอันนั้นต้องไวเอ่มันวิ่งมองทะลุมาเลยนะแล้วแต่พอมันทําเสาแล้วนี่นะพอไปเล่นเสาแล้วสวตัตตะเก็ไม่เอาลนะมันไม่ต้องมันคีดเกียดคิดไง ง่ายๆตรงฉันถือว่าเสาในพวกวิชาพากง่ายเป็นยังไงงงงง่ายๆจริงๆแม่ไม่เฮียไม่มีอะไรเลยเท่านั้นแ่ะแต่มันแม่จริงๆใช่แต่แล้วมันจะทิ้งหมดเลยน่ะอันไรมันก็ไม่เอาเนี่ยอย่างงี้เนี่ยเนี่ยให้ไปเรียนสถาปเกนไม่เอาละเนี่ยเนี่ยแล้วรุ่นสองเนี่ยนะก็ต้ามาสอนเสริมแต่พาะหน้าที่ความหมายนอกจากไอไอสถาปเคนไม่เอาหรอกถ้าเรามีพิษแทงนะอาจารย์คูนสามหันเก็บต้องไปไกระทบตัวไหนตัวไหนตัวไหน อ๋อรู้ได right ้ไงหายใจอนี่นี่แล้วเป็นเรื่องบ้านดิโอมันเยอะสัธเตเกณนมันมันเล่นได้เยอะครับแล้วสาธเตเกนที่มันที่พูดเลยอ่าบ้านเสียหลังคาบ้านไปไหนนอกทานอะไรนะนอกทางดูพระค้อเรือนนอกพระค้อเรือนในไม่ต้องดูเลยพระค้อเรือนนอกดูแต่พระค้อเรือนในได้อีกงั้นคนไอแปลกไปพบครับอืแก่เขาหวงจุ้ยก็แก้ที่สาธเตเกนอีก ภูมไปเลยท่า บ, บ้านานี้ในที่นี้วางตึ้งตรงไหนเสียอันนี้สาคัญเพราะาทําำไปตัวเองมาแล้วบอกเลยน <c> ะ <oughs> อันนี้ <c oughs> <า>อันนี้มันจะ อ, อันนี้ <ทำ S 2> เป็นเรื่องแปลกนะท่านเยารับอย่างเนี้ยอย่างอย่งแถวศึกเมย์เนี่ยมันก็อยู่ในส่วนที่มันจะควรจะเจริญได้นะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอ้พวกครูเนี่ยตําแหน่งครูตําแหน่งพวกราชการเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยฮะท่านสามารถจะดูเลื่อนตําแหน่งได้นะ เพราะว่าต้อมีการปกอบการเลื่อนนะอันเนี้ยถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราล็อพวกข้าราชการต่างจังหวัดเนี่ยได้เนี่ยโอ้จังหวัดเป็นของเราเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเลื่อนตําแหน่งนะอันนี้สําคัญคนรจะศึกษาไว้หมายถึงว่าเราควรจะฟิตซ้อมของเราไว้ไม่บอกไปครับอ่าวิธีการดูง่ายง่ายไม่ต้องอะไรนักขึ้นพิมพ์ครับนักขคือพิมพ์นี่แหละไอ้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วใช่ป่ะเลี่ยงเลยครับจะ Yeah. อย่างเงี้ยฝึกดูอย่างเงี้ยฝึกยังข่าวเขาเหมือนกันเอาข่าวักมาตีตาตารางเป็นแปดส่วนข่าวหน้าพื้นดินเล็กหน้าหนึ่งเนี่ยมาตีเป็นตาตารางแปดส่วนแล้วท่านก็ลองจับยามดูสิครับ uh huh. ว่าข่าวนั่นอ่ะไอช่องนี้มันเป็นอาทิตย์จันนี่อ่าหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามเนี่ยมันจะเป็นประจำนั้นเลยจริงๆ uh huh. มันเป็นเรื่องประหลาดจริงๆแต่อลองดูเลยครับมันถูกกาหนดจริงๆเนี่ยวันนั้นเราจะรู้เลยว่าวันนี้ข่าวมีอะไร แท่จะไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ซื้อพิมพ์เลยรู้วันนี้จะออกอะไรเลยเอาเาะมันดูบัคขับอยู่แล้วมก็เหมือนกันทุกวันจีิง ไ, ไม่เหมือนเด็กจะเหมือนได้ไงเราเวลาที่เราได้หนังสือไม่เหมือนกันหน้าต่างกันก็ผิดผิดกันไปแล้วทำไมอ่ไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ต้องมีอะไรเลยนะ ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเสาเลยเนี่ยนะท่านใช้ฟุ้กี้เนี่ยก็จบแหละใช่ไ่มใช่ไหมคผมไม่รู้ผมไม่ต้องมีเสากันเลยน่ะอ้าวที่เราสอนเหมือนกันนะครับไม่สอนไม่สอนสอนเฉพาะรุ่นเก่าแล้วรุ่นนี้ไม่สอนแล้วฟุ้กี้นะเอ้ไม่สอนเอาไว้เป็นทีเด็ดสิเรื่องอะไรไปสอนทำไมสอนมันก็มันก็ไม่มาเรียนใช่ไหมแค่นี้แหละแล้สุดท้ายนะนี่ง่ายสุดเลยนี่เสาก็แล้วน่ะก็ว่าง่ายแล้วนะ เผชิญคู่คิดหนึแม่สองอันแล้วผลเาานี่ยนี่ยิ่งเอากระบอกแล้วนะพุทธเจ้าบอกว่าว่าไงเมื่อถึงฝั่งแล้วทิ้งให้หมดใช่ไหม ก, ก็ทิ้งหมดจริงๆนะเหลือคู่คิดไ ะ, <ฮ>ะอ่าใช่ไหมไปไม่ไปายจบเนี่ยเรื่องจริงเลยแล้วทิ่งกว่าไอ้นั่นเนีน่ะยิ่งกว่ภายกระสินน่ะมันอยู่ที่สมาธิกรนดับนี้ <ฮะ S 1> แล้วตรงนั้นนะถ้าทํากสินน่ะคุ่คิดไม่ต้องแล้วเอาลมให้ใจแทนนี่จันตะตาศุนตะตาเนี่ย คล่องสระนี่ไงนี่ผู้ชี้น่ะคืออันนี้จันนี่อาทิตย์ใช่ไหมันคล่องข้างไหนเวลาเรให้ใจคล่อไม่เท่ากันนั่นแหละวันนี้ยามนี้ขึ้นทางนี้ออกเฮ้ยอาทิตย์ทางนี้จันทางนี้รู้แล้วตรวจจันก็ตรวจซ้ายนี่ตรวจอาทิตย์ตรวจขวาลมเท่าทางไหนอ่าให้ไปบอกไปและไม่ไม่น่าบอกแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมขยายวะนี่ลมให้ใจวันนี้เฮ้ยวันนี้จันขัดน้ารู้เลยวันนี้ตามง่ายกว่านี้ ถึงบอกว่าไอ้ขี้เรามหาสมุดตื้นลกล้ํมอนนะมันนึกล้ำจริงๆในที่สุดไม่ใช้หาอะไรเลยในที่สุดก็คืออย่างนี้ฟึงขี้เนี่ยดันบนจะลงให้ใจที่สุดคือไม่ใช่ลงให้ใจใช่ไหเตียบก็ได้แล้วนี่เตี้ยบเรียนที่ไหนวะก็พน้ำเรียกพน้ำมาเรียนด้วยกันเอ้เรียนที่ไหนครับเรียนที่พราอ๋อเะเอ้ท่อจากได้อะนะสายนานยงก่อนท่านอ่ะผมเรียนก่อนท่านก่อนแล้วก่อน ตีกิโซ่ไงผมไม่รู้อ่ะขึ้นโดยติีกิโซ่อืมรู้ผมก็จำไม่ค่อได้แล้วเพราผไม่ได้จับแต่รู้ไงมันเดือดหายเพราะมันโอ้โหเนี่ยไี่มีใครใช้เลยไม่น่าจะไม่น่ามีดเนี่ะใส่ไว้อะไปไปมันระด้ามเน่ยนี่บอกไว้ฝึกใช้สิดูนกก็ได้ดูนกดูฟ้าดูเมฆดูฝนเอาไว้ดูฟ้าดูฝนเออฝนเปี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมันตกไม่ตกอะเอาเนี้ย ชั้นชายรั้งสุ inside, ดท้ายนเนี่ยเนี่ยตอนนี wow, so ้อยู่ปริวาแติหัวฝนมาตึงๆลงเม็ดตัวเลยเห้ยไอ้น่ะคราบอกตกแง่เลยทั้งหมดทั้งร้างผมว่าไม่ตกหรอกูุ้ยพูดเลยวาเขาเนี่ยคอิ์รีนไม่ตกอ่ะลมมาตั้งเลยนะไม่ตกครับเอ้เจ้าขึ้นมาไหนอ่ะมาเสียพป่ยให้อิไอมางเนี่มันบอกขาวว่าเราสุขเดชกับปล้าวไม่ใช่หรอกวาไปเรื่อยนันแหละ เนี่ยผู้ขี้เนี่ยสาวไม่ต้องใช่จริงถ้าใช้ชํานาญนายกงทุกเรื่องนะอันนี้เช่ใช้เนี่ยเป็นเนรเลยนะเออเคลาฟังได้มานะหัวควายมันกัดมันฆ่าไปเนี่ยตัดหัวหรือเตะหัวให้ตามไปเลยเนี่ยอยู่ตรงนั้ น, นแหละเอาไว้ก่อนเขาก็ม้วนควายก็จะคิดดูตังสลึงเดียวเนี่ยเป็นบาทน้าท่านที่ตัวรับไม่ไหวอ่ะกินไอ้ไอ้ตีนโดนฟันลวกอ่ะจําจได้เลยในชีวิตเนี่ยถึงจําแม่นเนี่ยนะถึงบุญ ยัเ็นมกันคัชาไม่ก็เราเวลาเราให้ปูกับเอาวันเก่าก็ได้วะ <c oughs> เป็นไรยรอพอเม็ดมาก็จะงอกเลยโอ้โหมันไปนปลูกกันโ น, น่นอ่ะบนอ่ะมียังอยู่นะ <c oughs> นกระปุกนี่ยังอยู่เดี๋ยวไ<ห>ม่เข้ผใจไออที่สำคัญเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังถ้าเกิดมีที่นี่นี้เพราะผมมีตัวยาเข้า โอ้ก็เม็ดนี้ใ่เม็ดจะมาปลูกที่มานปลูกวนตรงไหนก็ได้ซุกทำไมไม่ได้แพะที่หมดเออไม่ไม่ยเฮ้ยปลูกก้นไ่โผล่ไงทั้งเฮ้ยม่มีปัญหาเขาเข้ายานเล๋ออยู่ทหารออยู่ไอโผล่แล้วมั้งทวนนี่อะไรทหารนั่เนี้ยอ๋อนึกว่าทหารนั่นมันจะจะทาลายกระฉามหมดเนี่ทหารน่ เนี่ยกัญชาก็ให้ปลูกได้นะต้นเดียวถล้าไาก้ากฎหมายเอาไว้ทากับข้าวออกไปส่อเนี่กัญชาเนี่ยะเกิดเมีต้นเดียวห่ะปลูกได้มันเข้ายาได้เข้ายาทาอาหารแกงเนื้อเนี่ยแกงไหเสียวหทอดไม่อแห้งแต่อันเนี้ยไอ้ที่เด็ดน่ะก็คือนงนั้นน่ะแต่มันด้าวไม่อยากให้ใครน่ะไองเชื่ไม่อไปใช้ ถึกเชิญน่ะมันสําหรับถึกเฉินล อ, อ, องดิเดี๋ยวออกก็ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลิกแล้วเข า, าเล่นหุ้นแล้วเป็นที่ปรึกษาบริษัทหุ้นไปแล้วตรงนั้นนะคุณโยมยังไงก็แล้วแต่คนคว้าเถอะพราะฉันทํามาแล้วถ้าของใส่ก็ถามได้แล้วรับประกรนันเลยร้อเปอร์เ็นด้วยน่ะไม่ใช่แค่สิบเปร์เ็เพราะฉันเป็นที่ปรึกษาบริษัทหุ้นมามที่เงินได้มาทั้งหมดหลายๆคนนั่นน่ะก็เพราะตลาดหุ้นน่ะเ<อ>พราะมันขึ้นมันมีที่สิ้นสุดแล้วมัน มันที่จะข้าไม่มีออกนะอเงินอนะเราพอทุณขึ้นเราะว่าไปซื้อฟาร์มซื้ออะไรอ่แล้วบอกให้ขายด้วยขายตอนไหนแล้วได้กำไรบอ ก, บอกาบริษัทที่ซื้อที่จ ะ, จะขึ้นนะ่จะจำต้องเปอร์เซ็น แค่หวยหุ้นนะหุ้นเลยตัวหุ้นเลยนะซื้อกันทีสองว้อยสามว้ยล้านอย่างเงี้ยทีนึ่งสองว้อยสามร้อยล้านนะขั้นต่ำนะโรเกอร์ ที่หุ้นจะขึ้นเนี่ยเรารีบเรารีบอขายสะก่อเรารีบซื้อซะก่อนไม่รีบขายซะก่อนนั่นเป่คืถ้าจะขึ้นใช่มหมเรารีบซื้อก่อนพอซื้อก่อนปั๊บมันขึ้นใช่มหมพอมันขึ้นปั๊บมันขึ้นได้บอกให้มันขึ้นไปก่อนเพราเราซื้อมาถูกแล้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นถึงเวลาไหนปึ๊กอีกสองนาทีจะตกเรารีบขายก่อนอย่างเงี้ยเราก็ได้ราคาสูงสุดเนี่ยพรามันขึ้นสูงสุดแล้วก็ตกเนี่ยอย่างเงี้ยก็กำไรกับตรงเนี้ย หุ้นกกไรตรงขายเนี่ยซื้องินแสนหุ้นอย่างเงี้ยได้แล้วสมบัติเดียวเนี่ยสลืงหนึ่งบาทเาเล่นกับสลืงเ้เสีเดียวเนี่ยเขาไม่เอานะเพอมันจะเสียตกที่โบเกอร์กัหลักทรัพย์สองบาทมันได้บาทหนึ่งหรือบาทห้าสิบเขาได้ห้าสิบจะเอาเป่าเรื่องหุ้นแล้วคือคือจะเป็ีกอยู่คนรอดแ่ไม่เข้าใจเลยโบเกอร์หลักทรัพย์แล้วก็ตัวเองมันต้องคิดเป็นสามส่วนสมมุติว่าได้กำได้ก็ได้ครับได้กาไรสองบาทเนี่ยเสียบาทนึงได้บาทนึงแต่เขาซื้อทีเดียวหุ้น ต้องอะไรนะนะสองแสนแสีหน้าแดงสองแสนลง เ, เที ย, ยบถ้าเปิดตัวตูมเนะี่ยนะหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่มีเจ้ามือจะทํามานั่งฆ่าเราเพราเปิดตัวปับนะ๊บ เ, เ, เนี่ยะเดินเข้ามาในตลาดหุ้นยิ่งกับพระราชาเนะี่ยอันนี้พูดตรงๆเชื่อไหมครับตีนเขียวนะครับขอทุกขนาดคุณหญิงเนะี่ยขอไม่นอนกับเราเลยเราก็ตีนเขียวไปเลยนะเยอะจัด ไอ้เราเคยตัวเลขแต่สีร้อยล้านอ่ะคอติ้งเราขอโทษแต่ติ้งเสียเลยนะตอนแป๊บเดียวแป๊เดียวนี่เรงจริงไม่ได้พูดกันเล่นๆนะเพราะว่าโอ้โหคนน้อยล้านมปนเรื่องปกติวันนราเสียไปสองร้อยล้านนี่มันเรื่องธรรมดาคนมากเลยไอเราเห็นแค่อย่างนี้นะยิ่งบอกไงถ้าอยู่ภาตธรรมธุรกิจตลาดหุ้นแล้วนี่ยนะแค่เราเป็นตัวแอทไวเนี่ยนะสําคัญยิ่งกว่าบริษัทขายหุ้นไอบริษัท ไอ้ที่มันเป็นเจ้าของหุ้นเองก็ต้องมานั่งพึ่งเราเลยรู้ป่ะว่าจะขายเมื่อไหร่จะเอาหุ้นเข้าตลาดเมื่อไหร่มีก็รู้รู้เสาแล้วก็ไม่มีอะไรมรณะการได้กินมีการได้กินของภูมิมรณะของเสาไม่ซือยังไม่เข้าใจเรื่อ ง, องขอ ง, อ ย, งยังยังไม่เข้าใจาเรื่องของไอ้นั่นหรอกเรื่องของ ไ, อ, งไอ้หน้าที่ความหมายว่าแต่ละอาจจะจัดกลุ่มอยูไ่ไหนมันก็คือรวมตอนแรกคอมมูนิตี้อะไรอย่างเ ง, งี้่ะยังยังต้องไปไกลนั่นก็ หน้าที่ความหมายและแยกกลุ่มไง น, น้ำมันจะมีมอยู่แล้ว น, น, นี่โย<ร>มไปซื้อของสัญชายสมุดวานิชไอที่เป็นนั่น่ะมันจะมีคำอธิบายแต่ว่าเราไม่อยี๋ไปอ่านที่ตรงวิธีการตั้งนะแต่ตั้งสูรสมการไม่ต้องสนใจเอาคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะมันจะอธิบายได้ละเอียดดีมากเลยหรือคำอธิบายดาวของหนังสือยูเรเนียนนั่น่นนนะมันจะละเอียดในเน ก, ก็มีเออนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะใช้ได้ มันเป็นสารกบนเกี่ยวกับหุ้นด้วยน ะ, ะเราแยกออกมาเป็นบุญแฟมเป็นน้ํามันน้ํามันประเภทไหนปะิโตรเลียมหรือว่าแกซโซลีนหรือว่าหุ้นเกี่ยวกับบริษัทน้ํามันมันคนละอ ย, ย่างนะแยกนะอยู่ในเนียนนะดาวอยู่ในเนีอ่าดาวอยู่ในเนียแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องดาวอยู่ในเนียเอาแค่แคอาทิตย์ถึงดาวราหูแค่นั้นพอเอาความหมายมันเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องสากลถูกป่ะเพราะฉะนั้นอย่าง f อ i กับอเชอริฟเนี่ยมันคนลเรื่องไง มันแยกได้ว่าความละเอียดตรงนั้นแหละเราเอามาแยกแต่ตอนนี้เรารู้ละความทํางานมันเป็นยังไงะเราเรียนความทํางานตรงนี้แต่ความหมายตรงนั้นนั่นแหละเอามาใช้ดา้ดานหุ้นเี่ยการค้นคว้าอยู่แค่ตรงนี้คือหน้าที่และความหมายใครได้ละเอียดและรู้จกักวิธีแยกแยกแยการใช้คนนั้นยินจบาหเหมือนท้องอะ่ะน่าเราเอามาทําเป็นช้าราคาหนึ่งเอามาทำเป็นสร้อยราคาหนึ่ ง, าา ใ, งใช่ไหมห้อยสายแหวนมันก็ราคานึ่ ทั้นั้นนทองเท่ากันแต่ทองเหมือนกันใส่น้อยกว่าแต่ราคาสูงกว่าอยู่ที่เรามาทำเป็นลูปอะไรกั น, นตรงเนี้แทนนี่้าที่ความหมายเนี่ยครับสําคัญที่สุดถัวหัวใจเลยนะกับท่าพุ้นขึ้นเร็วขึ้นช้าอยู่ที่หมาพูดลูกน่ะถ้าเป็นดาวถ้าไฟเนี่ยโอ้โหมันขึ้นคิดไม้ไปพวงเลยเพราไปมันขึ้นแหลมเนี่ยแต่เร็วลงเร็วไฟมีอ่าปัจจัยภายนอกกระทบหน่อยเนี่ยเราจะรู้เลยปัจจัยภายนอกกระทบแล้วพุ่นอะไรจะตกไฟนี่เป็นไฟไม้ไผ่ ลูกลูกไวผู้ผู้กะเดียวแป๊บเดียวครับแล้วก็จะมาจากปัจจัยภายนอกเราก็รู้ในเส้นทางคายเข้ามารู้ละถ้ามีข่าวขีดตัวทหารเข้ามาเนี่ยให้เกียมขายเลยตกแน่นอนอย่างเงี้ยเรารู้ปัจจัยภายนอกแล้วเห็นไหมล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเราก็พูดที่เราไปอ่านอ่านหนังสือเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพื่อศึกษาวิธีการพูดแบบคนตลาดหุ้นเขออาจารย์นะเวลาเราเนี่ยภาษาหุ้นเออภาษาหุ้นเนี่ยเงี้ยพูดจาภาษาหุ้นเนี่ย แต่เวลามันมันนึกใช้ได้หมดไงมันนึกใช้ได้หมดไงอยู่ที่เราพิจารณาผมก็ใช้เนี่ยอยู่ที่โน่นก็ใช้เนี่ยห้าบริษัทนี่รอบตัวเลยนะถามได้เดือนละสี่พันเหรียญต่อ อ, อต่อบริษัทสามถามได้ไม่เกินวันละสามข้อวันละสามข้อนะพอเดือนละสี่พันเหรียญต่อบริษัท ่นนก็รับมาตลอดแล้วก็สอนให้โยมตาเขาเชื่อลครับามันไม่อยากอะไรแล้วท่านจะสร้างอะไรก็ลายมันเรื่องเด็กๆไและยัแยงแถมไอ้หุนเนี่ยมันยังพ่วงไปถึงการเมืองด้วยไงพระเราคุ้มพวกนี้ได้มันก็จบนะข่าวอะไร ม, มาอยากรู้อะไร ม, นมาอมอรมน้าในยูรเรเนียนนะเข้าไปใยูเเมียนเฉยพิมพ์ที่ก o o g l e หน่อน ะ, อะ มันก็จะออกมามันมีของอาจารย์อะไรด็ดอกเตอร์อวิโก้อะไรไม่รู้นันนน่นนั่น น, นั่นอะนั้นอะไอที่หน้าปกสี ด, ำดำําๆอะนั่นน่ะด็อกเตอร์วูโก้หรืออะไรนั่นแต่เป็นคนไทยทํานะไอคนทำก็เป็นด็อกเตอร์นะ่ะเป็นในแพทย์เลยขนาดแกจะแกจะแปลนี่ออกมาได้ลิขสิทธ์ด้วยโอ้ปีนแค้นปีนออกมานี่นาแค่นี้อ๋ยังไม่หมดเนาะมันขออยันเว้ยมันเป็นสายวิชาการไม่ได้ออกทางนะ่ะ ในส่วนโฆษณาก็มีแต่อันนี้มันเป็นความหมายของดาวโดยทั้งล้วนแต่ความหมายในเชิงสากลเราเอามาเฉพาะส่วนนี้แล้วไปมาแปลเป็นภาษาพุ่นเพราะนั้นแหละเมื่อไรเมื่อไรก็โอ้โต้องไปซื้อหุมาดูประกอบไม่ต้องดูก o เกิลไม่ต้องไปซื้อหรอกั็ซื้อเปิดไม่เม็ดไงนี่วันนั้นเขาเปิดนะเนาะเขาแบ่งไอ้นันมาให้ด้วยนะ ไอ้ประเภทน่ะหุ้นแบบนี้ประเภทนี้ประเภทนี้ในไอ้ตลาดหลักทรัพย์กับกรทเดี๋ยวนี่ผมก็ต้องไปหาท่านทรัพย์ไอ้ท่านท่านน้านําหลักทรัพย์เหรจะเอานะอะไรจะไปหุน้นไม่จะเอาเงินไปให้ตัวนเอาไอ้ที่ว่ารู้วันเดือนปีแล้วแกไม่รู้แหลมว่าวันที่จดทะเบียนหุ้นอ่ะอ่าอันนี้สําคัญเพราะจดทะเบียนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปีป้งออกมาปรู้เลยวันเดินให้แอไปไปั้นี่นแหละทั้งชุดนี่แหละที่ว่าพอกดปุ๊บเนี่ยจะรู้วันเดือนปีเลยว่าแรมอะไรแรมอะไรที่ในตารางเนี่ยอ๋อไอ่อ้แล้วมันอ่อไอ่อ๋อพสิที่โปรแกรมสีสต า, าเหะ่ะ บอกให้ไปให้ท่านทนศักดิ์นะเขียนเพิ่มนิดหนึ่งเขียนเพิ่มนิดึตรงที่ว่าไอ้ดาวต่างๆ่ะเขียนความหมายใส่ไปแทนคือแทนที่จะเป็นว่าไอ้ภูมันมีอยู่แล้วนะตอนนี้เอาตรงนี้เป็นความหมายไม่แทนไงเป็นดินน้ําลงอะไรเงี้ยดินเป็นน้ํามันอะไรเงี้ยนะเราเทลงไปอยู่ตรงช่องของนั้นแทนไงเนี่ยเราขึ้นมาปุ๊บเราก็อ่านตรงนั้นเลย่ะเพราะมันตแทนเลขสามเลขสองเลขห้าเงี้ยไม่บอกใหเรา เท่าแล้วคือแดที่เป็นเลขไงก็เป็นความหมายแดงเนี่ยก็เร่ง่ายมากแตก่อนคิดเรื่องหวยเตรียมกระปรงให้หวยเลยเพราะวันนี้หวยออกอะไรมีหมดเนี่ยตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีสามแปดมั่งทำสถิตอันนั้นนะแต่ตอนนั้นที่ก็บอกเถอะให้ทํำพูดเถอะทานะเที่ยวเข็นมันก็ไม่เอามันงงกิดเต็งโอ้โหบึงดันมาได้ตั้ปีน่ะ ไม่อ้ใจไม่ชอบอ่ะใจเฉยๆเขาเรียกผักใบพันน้ำไม่ใช่พอดูได้ดูถูกเงินล้านแต่อยากจะได้เงินร้อยไงนั่นมันจะคนมันคนจัไม่ใช่แล้วพอมาทำหุ้นนะนะจะเห็นเลยว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทําได้เต็มที่เราไม่ออกตัวไม่ใช่งั้นคือเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียครับ่อกป่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เต็มที่สังเกตดูเราดูดวงเหมือนกัน เวลาจะดูให้ใครเนี่ยถ้าเราไปอินในนิยายน้ำเน่าที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเพี้ยนเลยนะ uh huh. สอสงสารทั้งนั้นไอ้ดาวโวงนั้นคงชื่อถึงแต่ถ้าประเทศแบบหาวแข่งว่าดูดูดโอ้โหตงคิดแต่งเลยเพราะเราไม่เอาอารมณ์ไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะว่าการเลื่อนเรือให้มันจ บ, จบไปมึงจะได้รีบไปากูร์าเนี่ยอเ uh huh. ป๊ะทุกทีส uh huh. ังเกต ด, ดูสิแต่ท uh ําอะไรอินเนืงออยากจะช่วยเขาเออเดี้ยงทุกเที่ยวอเออ แตถูกก็ถูกเฉียวเฉียวไม่ถูกกองกเออถ้าเรามีส่วนร่วมหุ้นด้วยไปซื้อหวยกับมะเฟอร์แดกหมดน่นกลับกันชาตหรือซื้อแล้วไม่ได้กลับอายางน้องเนี่ยนี่งไงเขาถึงไม่ให้เล่นไงแต่อีหุ้นเนี่ยแล้วมันเขาเล่นร้อยล้านแล้วเราจะร้อยล้านจะไปเล่นกับเขาครับเออเราก็แค่แอดไว้ถูกป่ะไม่มีได้มีจะเสียอีอไม่มีเสียมีแต่ได้นี่งไงพอเราไม่มีอารมณ์ไปเกาะเกีเ่ยวเนี่ยเราก็ไม่เกิดการลําเอียงเป็นวิชาการล้วนๆไง พอเป็นวิชาการท้ล้วนเนี่ยมันจะพูดเอาเนื้อเนื้ อ, อนึกออกไปมฮนะเพราะกลัวผิดเพราะภาษาพูนมันเป็นภาษาเฉพาะอ่าถ้ามันมันดิ้นไม่ได้เพราะนั้นเราบอกบอกตรงเป้งเลยนี่ครับอย่าไปหวังได้เพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะหวังได้นะ่ะเพราะเงินเขาพูดกับเป็นร้อยล้านแต่คุณพูดแค่เศษสิ่งนี่ไนงะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราเนี่ยก็เลยกลายเป็น เหมือนนักวิชาการหรือผู้ตรวจสอบอ้าวจริงจไปหารู้ไหมว่ามันได้เยอะกว่าไอ้หวยเยอะเล่นี่นี่คือความจริงไอ้หวยที่มันผิดเนี่ยก็เพราะว่าเรามีส่วนได้เสียอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับบ้านลองดูนะครับเรื่องพูดเนี่ยฉันถึงบอกไงบอกว่าพูดมันะเป็นเรื่ไล่ตัวเลขอ่ะเดี๋ยวตอนหลังอ่ะมันจะเห็นเองอไม่จะไปบอกใครหรอกมนเห็นเองเอหลังพ้อยนั่นนะของตายตายอยู่แล้ว แล้วแน่เพราะอะไรทของที่แน่นอนเพราะเวลาปิดตลาดเปิดตลาดมันแน่นอนครับมันไม่เหมือนหยยไปจากสี่สี่โมงกรายได้เปล่าตรงเป้ะโมเปิดเที่ยงปิดแลเปิดปลายสองไม่มีการปิดตลาดแม้แต่วินาทีด้วยนั่นนี่ไหกระจจังหวะเพราะเที่ยงเที่ยงเที่ยงโมสิบโมงสิบโมงเปิดฮะเต๊ะนะเวลาเขาติดเป๊ะเป เที่ยงนีปิดบ่ายสองเปิดบ่ายโมงบ่ายโมงเปิดแล้วก็บ่ายสองปิดสองปิดแค่สองแค่นั้นตอนหนึ่งวันตอนหนึ่งวัน่นมนแค่นั้นนั่นะเล่นกันสองนวดละวันแล้วไอ้หวยหุ้นก็จะออกเคาะกระดานก็คือว่าปิดที่ห้าสิบเก้าปิดกระดานแน่นอนด้วยมาเป็นหวยหุ้นเน่หละเวลาเนี่ยซื้อตแต่เมไห่นะฮะหวยหุ้นหวยหุ้นซื้อหลังจุดไงหลังค้อยไงหงจุดชดทนิยม สองตัวบาเท่าไหร่นะหลายต่างเพราะที่เมืองจันกันก็ถ้าทันที่ก่อนนะทันน้ำก็โทถามเนี่ยเพราะเขาล็อกกันครับเคาะตัวตุ้าใช่มึงจะล็อกยังไงก็กรรมกำหนดอยู่แล้วมันแน่นเพราะเวลามันแน่นอนเนี่ยเราล็อกที่เวลาเองจะล็อกเลือยหรือล็อกเมื่อยไปดิล็อกเวลาผมเคยจับผมเคยจับตัวตรงผมจับจากไอผมเอาจักรราศีกําหนดแล้วก็วางลงรักนะวางลง เกิดมีอุดอยู่ตรงไหนปุ๊บคือตัวนั้นตัวเดียวเล่นตัวเดียวเเล่นตัวเดียวพเพราะแล้วมัอนออกสองตัวไงแต่เราเล่นฉมังคือว่าเราเล่นอุดมหาอุดของเราจักรราศีมันจะมีอุดนิจเจเศสะเราเล่นอุดตัวเดียวตัวไหนออกมาเป็นอุดปุ๊บเราือตัวนั้นตัวเดียวเพราะเราลงรักนเนี่ยลงเราลงรักอ่ะรักนณาเราลงเราลงรักขณาได้ หวยเล่นได้ทุกวันวันละสเวลาอืหวยหุ้นเอ่าหลังหวยหุ้นหลังเที่ยงเขนิยมเที่ยงกับบ่ายสองเอาเวลามันแน่นอนไงเอาเวลาสุดท้ายเหรอก็เวลาสุดท้ายเขาจะออกมาไงปิดตลาดหุ้นเวลพตอนนี้จุดเท่าไหร่กี่จุดหลังจุดทุกนิยมเราก็จะเห็นตัวนั้นแต่เขาไม่ได้บอกอะไรหรอกยี่สิบจุดเก้าเก้าวแสดงว่าหวยออกเก้าเก้าหวยหุ้นออกเก้าเก้าแล้วก็ตอนบ่ายสองปิดปุ๊บ ไอตัวสามสองนั่นแหะไอหลังจุดกคือเลขหวยมันหยุดไงมันไม่มีการซื้อขายไงเราเออเลิกเลิกแม้วันนั้นเลิกเอเลิกไปกินข้าววันเออเลิกไปกินก็เย็นอย่างเงี้ยมันแน่นอนไม่ใช่แบบสีแดงเวลานี่สีเหลืองโอ้ยฮะเขาหลอกแดกได้ไปเล่นเาลอแดกๆๆกแนแล้วเวลาก็ไม่แน่นอนสักวนนอนน่าจะจับจับได้แล้วไจับไปแล้ว อันเนี้ยเรื่องเนี้ยพูดมานานแล้วนะไอเรื่องเนี้ยจะเรื่องสลับพูน่ยเขาสุดท้ายเหรอปอสุดท้ายผมนอน่เเอ่หมเป็นอะนหหนนีมีเรื่องนาไรคือใช่เรื่องพูนี่ยคืกัมานามากเป็นจริงแต่ก็ไม่มีใครังกครย่เราไม่ใท่านม่อ้้ไม่เจอกันแล้ว เลยแล้วเป็นไท่านน้าไปยังไงบ้างไม่ใช่ตอนเอาไปใช้ยังไงบ้างไอ้สาดพุ่นก็ดีดีลองเาเาเก่าก่คือวันเก่าก่าอ๋อดูด้านหลังอ๋อเหรอคุณดูด้านหลังยังไงดูว่าอันไหนขึ้น หรือว่าาผมก็ดึงตัวสังหาริมัสซับว่าสางหาริมัสซัอ่ะเราสาวเออปิโตเลียมถ้าเป็นปิโตเลียมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของอังคารอุ่นขึ้นุ่มนิขึ้นก็จะมีบอก ใจกลุมธนาคารก็ดาวหกอย่างเนี้ยหมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือว่าวันนี้จะมีอะไรขึ้นกลุ่มไหนแล้วก็นําด้วยอักษรอะไรอักษรอะไรคือบริษัทอะไรเพราะอักษรมีในภูมอยู่แล้วแล้วตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่ในช่วงเวลาระยะเวลาตอนนี้ สิ่งทงึ้นี้ในช่วงของ11ดนาที15้วินาทีตรงนี้หุนนี้จะคือกระโโสภาในโลกเอาพื่ออกันี้เง่าสกาที่บอกมันเด่นจนกระทั่งมึงรู้จะพยั่ใช้กับเนหรืปลาเราเอาไปใช้นมันต้องตีให้จากือวไม่ค่อใกนี่คีนี่นะเอามาใช้อย่างนี้นะตรงนี้อกไม่ช่ก็ได้นี่เป็นแรงไ ไปท่านหมาลมหมาส่ายก็ไม่้มวยตกันนั่นน้อยฉันโดจริงๆี่เหนียวกังขี้จนจ๋ไม่ต้อารเรื่องบอลเรื่องมวยเรื่องผมสนใจเลยผมลังห้ามันละห้ามเลยไม่เล่น่เหุ่นส็ก็ดี สนใจมานี้แต่แ่เอาไว้ก่อนนี้ก็ะอนี้มันยังไม่จบแต่ถ้ามีอย่างนี้ก็มันยากแอละฟังๆมันไมกเราคือการคุยยากันไมผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้อะไรผมก็นั่งฟังให้คุยแล้วก็เราดูก็ะผมก็บอกมเขร้มาบอกเขาะไรกัน กุศลอกุศลนคือบางทีมีใครมาหาเราแล้วันนี้มัยเราอกุศลน่ไหนกุศลเนี่ไหนครับจในนบอกะในตารางในชา้วเนี่ยในที่ไัวมันมีบอกประชวที่ยากนีบากุศลนีบาบบานันหมมันเขาต้องรู้ว่าบาไม่เป็นไมมันรุ่นสองตีหน้า ไี่ร้องก็ไม่รู้ร้องกูบอกว่าลูกเรียน ไปหานเาตัวอะไรไปหานเจ็ดไม่รู้ไม่รู้แล้วรู้แบบว่ายกรู้ไหมารารเจ็ดต้องต้องได้นานี่เขาใช้ตัวเดียวนะปัตตนีตัวเดียวน่ะธรรมดามันใช้ได้ทุกตัวแล้วจะไปใช้อะไร่นี่ะแล้วผกพันลดกำลังไปเท่าไหร่ถ้าพูดเป็นหลักรรมการโอ้โนะรอบจักรวาลนั้น หลักหลักหลักเป็นหลักหลักไปดูได้อีกต่างหากทิ้งบอกนะมันเขาทิงเรียกลัดตังยุศาสตร์เนี่ยไอที่เรียนเนี่ยไอสาวเนี่ยมันแค่สักคลั้งจะเปลือกบากว่าแต่ตอน้บุญวาสนามาผมว่าโอ้ยมาแสดงบุญจับมดเลยแต่ไอคนสอนนี่ไม่ได้มีความรู้เลย นองนะเผมมยางเียต้องมาหาเกดมาหาเกดถ้าเกิดผมไม่มาผมไม่เไดม้องอยากให้ถามหนึ่งนี่นะนีดกันคนที่ไปบวชแล้วไปนั่งหาอุปจารไม่พูดโอซโอฟี่แล้วไม่ตอบกับเขาจะให้ไปแล้วนีนกันไม่ถามไม่พูดทำไมนี่ถ้าไม่ถามพู่ก็นั่งคุยกันยงไเลือกเจ้าตัววัดที่ยใหญ่หลวนึ่ง เพราะเราหุนเราไม่ให้ลนะผู้รู้อยู่แล้วใช่ไหมคนพูดเรื่องโดนเขาก็สี่อเลยเกไม่เช่อฟันไม่เชื่อคุยเรื่องกันคุยยการมันจะได้ี่เียนัดีจิ้งเกียร์จรู้ไม่ทํามจิงดีถายสิครับจะได้มีมาเสียเวลากนี่เรื่องาถามโยมเขาจะรู้ใช่ไโยมย ถามโยมพี่ว่าไปเจอผมมาเป็นไงผมไม่เปิดประตูทั้งหมดเลยนะตรงก็ะตามปิดหมดเลยนะถามด้วยเมื่อกี้ทีคุกอะถามดูจริงจผมอยู่คนเดียวเลยนะอยู่แบบคนเดียวแบบปิดประตูขังตัวเองเลยนะถามอยูสิครับท่านอยู่ได้หรือเปล่าเป็นปีๆน่ะหปีก็อยู่ผมอย่างไงนะ่ะผมไม่ต้องการเจอใครบางที มันมากันไงมันมาสี่ห้าคนน่ะอะไรภูกการอะไรน่ะผมหนีจากขอนี่แม่งตามมาอีกล okay. ้วเป็นน่ะถามมาผมหนีไปเลยผมไม่เห็นน่ะเมื่อไ่ยาไปดูใครใรในสุสานแสไงม่เปนระโยชน์ไม่ชอสมไม่ถามผมก็อย่าไถามเรื่องอื่นนะถามเรื่องคุย่องอื่นถามเรื่องาสก็อเลียนย่างๆขอถามเร่องนเรื่องน้อยอะไรถ้ามาถามเรื่องอื่นคุยเรืนเลียนคุย คุยไม่จแตไม่่คืองวศาสตรนจจริงหรือไม่จริงทั้งลองนึกย้อนหลังไปทั้งหมดนะตรงไหนที่มคุยอาาตร์บ้างมีไหมล่ะารทศาสตร์ีผมคุยบ้างไหมไม่คุยน่าหนักใจไม่ี่รู้เรก็ไม่คุยหรอไอ้คุยเาคุยเอ เท่านา่รืงแม่เรื่องมเรื่องท่านกพูไปก่อยไม่มีจริ้อแล้วเลิกพบไปจริงไหมจริงเพา น, นี้ต้องการมีนจะเป็เลยจริงครับเอาถามดูดใช่ไหมโยมถนะามจริงนะฟังไปเนะี่ยรับประกันเดี๋ยวทนะ่านกลับไปท่านจะได้ในฟงังที่ผมูด่งนี้ มาเนี่มันเชื่อผีก็กว่าอู้เป็นั่นจริงจะต้องตามสอบอะไรเงี้ยอด็กผีกูจรจเนนี้ดีก็ไม่ใช่ไม่กเนวลาแน่ทำไม่กกินอาหารกนล้แ่ไม่ตอนรับคนไม่ได้แล้วเพื่ออะไรแล้วได้อะไรนี่แต่เราเสียคือเสียเวลาจริงนะล้วอยากจะรู้ถามี่เลย ฉันก็ไม่เคยไม่เคยขัดใช่ไหมแต่ถ้าไม่ถามที่เรียนไปถามก่อนที่ยังไม่ได้เรียนคู่ก็ไม่ตอบเพราะที่เรียนมันยังไม่ได้แล้วมึงจะแต่ไม่ใช่ผมไม่รู้ถามเลยอยู่เรื้องน่องเลยเนี่ยนรู้หมดไม่ได้ไม่รู้สอนไม่ได้ทั้งนั้นแต่เรียนที่ยังยังไม่ถามทำไมหรือพูดผิดถ้วเคยผมเห็นผมคุยเรื่องเกี่ยวกับผม้นี่ฝ่ายอาจารย์วิชาสถาอารมมั่งไหมนะ มันนั่นจะได้ยินดีน่ากะชิ้นชิ้นิ้นจะเลิค่ะพอรู้ตัวเรารู้เฮ้ยจับอันเดี๋ยวมันอยออกเพ ร, รเาะพูดมากท่านก็อยากรู้โน่รู้นี่รู้นั่นที่ยังไม่ได้เรีย น, นก็ไม่มีประโยชน์ไอที่พูดไป ก, ก็ยมพกพูดเ็กด็กดอะพูยอะพูดเยอะพูดเยอกดเออะเอกพเพยเยอะเเยเเพอพูด คือมันวันหนึ่งท่านจะเข้าใจว่าการอยู่รอดนะไม่ใช่เฉพาะที่สองา น, นจไวน้นะพิชาพวขึ้น้ เ, เท่าไห่อันตรายเท่านั้นไม่มีใครหรอกเอยากให้เจาะเอาไปถึงในลึกนะอก็ากตุ้บนบ้าบ้ารี่คุจะบ้าได้เพื่อการอยู่รอดนะขาที่ขายควรควรจะขายทอดหมดเมื่อนั้นแหะท่านจะเป็นคเ น, น, นเดิมแ่นัย แลไม่ใช่ใครล่ะไปบอกเขาบอกเฮ้ยห mm hmm. ุ้นจะขึ้นนะหุ้นจะลงเนี่ยไม่ม mm hmm. ีนะ mm hmm. ผมก็ทำอย่างเงี mm ้ยน่ะตลอด